หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ยาหลงบำเรพระป่าเป็นอาจารย์ของพุทธสูตรที่สามของเล่มเก้าเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าส่งพยากรณไว้ตั้งแต่ศาสนาพุทธยังไม่เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักฐานยืนยันดียิ่งเรื่องที่ว่าศาสนาพุทธต่างจากศาสนาอื่นสำคัญมากตรงนี้คือ เป็นศาสนาคนเมืองเป็นศาสนาสังคมไม่ใช่ศาสนาคนป่าไม่ใช่ศาสนาออกปฏิบัติกันในป่าหรืออาจารย์ที่บรรลุธรรมคืออาจารย์ที่เป็นพระป่าหากใครยังหลงผิดว่าอาจารย์ผู้บรรลุธรรมของพุทธ้ต้องเป็นพระป่าที่หลับตาปฏิบัติ หรือเอาแต่เรียนใส่สมองขอบคิดนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแน่หรือไม่ใช่การประพฤติทธรรมของพุทธเลยการปฏิบัติธรรมของพุทธปฏิบัติหรือประพฤติได้ทั้งที่อยู่ในฐานะฆราวาสและทั้งฐานะนักบวชเป็นชาวพุทธแท้ไม่ใช่ต้องปลีกแยกเวลาหรือนำชีวิตออกจากสังคม จากชีวิตทำการทำงานสามานหรือยิ่งหนีออกไปปฏิบัติในป่านั้นยิ่งไม่ใช่ใหญ่พุทธไม่ใช่ศาสนาที่หนีความสัมพันธ์กับสังคมหรือไม่มีสัมผัสเป็นปัใจจัยในการปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วในพรหมมชารสูตรว่า ไม่ใช่ศาสนาที่จมอยู่ในวงจรอดีตในวงจรอนาคตหรือแค่เป็นการตรึกตั ก, กีหรือได้แค่ค้นคิดวิมังสีแต่ต้องปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยเว้นผัสสะเสียจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เพราะการปฏิบัติอย่างนั้นมันคือการปฏิบัติของผู้ไม่รู้ไม่เห็นอาชานาโตอาปัสจโตเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นแต่ปฏิบัติธรรมของผู้นั้นปฏิบัติไปกับชีวิตประจําวันของคนในเมืองอยู่ในสังคมธรรมชาติธรรมดา เพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธไม่ได้แยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตสามัญออกจากชีวิตของความเป็นคนปกติและสังคมมนุษย์เลยหลักฐานสำคัญแสดงถึงความเข้าใจผิดมิจขาทิฐิที่แสดงถึงความเสื่อมของความเป็นพุทธในพระไตรปิฎกเล่มเก้าช่วงท้ายของข้อ163ง้อแล้ว ขึ้นต้นข้อ164มีใจความยืนยันอยู่ชัดเจนยิ่งว่าดูกระอัมพัทถะวิชาสมบัติและจารณะสมผัสอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แลมีทางเสื่อมอยู่สี่ประการสี่ประการเป็นฉนยัยหนึ่งดุกระอัมพัทถะสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หากบริขารดาโบสเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคผลไม้ที่หล่นสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่ง นี่คือข้อที่หนึ่งในความเสื่อมสี่ประการอ่านดูแล้วเข้าใจดีขึ้นไหมว่าประเด็นสำคัญที่เป็นความเสื่อมของความเป็นพุทธนั้นมีจุดสำคัญตรงไหนก็ตรงที่ว่าวิชชาจรณะสมบัติและจรณะสมบัตินั้นเป็นคุณยอดเยี่ยมที่สมณะของพุทธจะต้องบรรลุให้ได้ถ้าจะบรรลุสมณนะก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์ในป่า นี่แหละคือมิจฉาทิฏฐิข้อที่หนึ่งข้อแรกนี้สมณะผู้หลงผิดก็ยังเป็นสมณะพรามที่มีวินัยดีไม่พราบเพื่อามภูตคา ม, ต, คามตั้งใจหา บ, บริหารนักบวชเข้าไปสแสวงหาอาจารย์แต่อาจารย์ของพุทธนั้นไม่อยู่ในป่าดังนั้นสมณะพรามที่หลงผิดนี้เมื่อเข้าป่าไปก็ต้องไปบำเรออาจารย์ในป่านั่นแหละ ที่หลงว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้ก็ไปหลงอาจารย์ที่ผิดนี้คือทางเสื่อมของพูดธข้อที่หนึ่ง